รวมคำสอนพระสุปฏิปโนเล่มห้าเล่มพิเศษชุดเทิดทูลพระคุณครูบาอาจารย์รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดยพัชระบุญสุตันติวรคุณให้เสียงโดยสุนันทาคำดีของกล่นสักนิดซีดี รวมคําสอนพระสุปฏิปันโนห้าสิบองค์ภาคแรกนี้ข้าพเจ้าได้จัดทําขึ้นโดยได้คัดมาจากคําสอนในหนังสือรวมคําสอนพระสุปฏิปันโนชุดเทิดทูลพระคุณครูบาอาจารย์ในเล่มที่ห้าซึ่งทางกลุ่มเกตแก้วได้จัดทําขึ้นจุดประสงค์สําคัญก็เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ว้างขวางออกไปให้ได้มากที่สุดและมีความสะดวกในการพกพาได้ง่ายขึ้นและเพื่อความเป็นสิริมงคลข้าพเจ้าจึงได้นำเรื่องในหลวงของเราพระมหากษัตริย์ยอดกัตัญยูในหนังสือรวมคำสอนพระสุปฏิพโนเล่มหกมาลงเป็นบท กล่าวนาไว้ณที่นี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่พระองค์ทรงมีต่อพระราชมารดาของพระองค์ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระจริยวัตรของพระองค์นั้นทรงดงามเพียงไรสมควรที่พวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งจึงหวังว่า ซีดีรวมคำสอนพระสุปฏิปันโนห้าสิบองค์ภาคแรกนี้คงจะให้สารธรรมความรู้และเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาท่านไปสู่หนทางของความดับทุกข์เพื่อก้าวเข้าสู่พระนิพพานได้ในที่สุดความดีทั้งหมดถ้าจะพึงมีพึงได้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญกุศล น, นี้ทั้งหมดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และครูบาอาจารย์ทุกๆ ท, ท่านผู้ทรงประทานความสว่างให้แก่หมู่มวลสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งบิดามันดาของข้าพเจ้าผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าอย่างที่สุดที่ได้ให้กำเนิดและทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นผู้หนึ่ง ในการทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแม้จะมีประโยชน์เพียงน้อยนิดก็ตามทีแต่ถ้าไม่ค้อบอปร่องหรือผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวขอจงเจริญในธรรมพัชระบูรสุตันติวรคุประธานกลุ่มเกตแก้วหมายเลขโทรศัพท์0815536 50และแขกคนติดต่อประสานงานหมายเลขโทรศัพท์02 891 8012และ086 0616 117ถ้าท่านสนใจจะหาอ่านหนังสือที่ทางกลุ่มจัดทำทั้งหมดเปิดไปที่ w w w ร a t e g ์เกดแก้ว .com